ที่จริงเรื่องข้ามจิตสิกขาเนี่ยข้ามกันแทบทุกที่เลยกนระทั่งไปรู้ลมหายใจนะก็ไปเพ่งลมหายใจทำแต่สมาธิไปมุ่งที่คำว่าสมาธิไม่ได้มุ่งคำว่าจิตสิกขานะบทเรียนที่ถูกของพระเจ้ามันสีลสิกขาจิตสิกขาปัญญาสิกขานะถ้าจิตสิกขาถูกต้องแล้วจะเกิดสมาธิที่ถูกต้อง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 ตรงที่เราเรียนรู้สภาวธรรมจริงๆนะศีลสมาธิปัญญาที่อัตโนมัติที่แท้จริงเขาจะเกิดขึ้นนะค่อยฝึกไม่ยากอะไรหรอกเชิญไปทานข้าวนิมนต์เลยครับนิมนต์